มีงานบรรจุพระธาตุนครูสุวตร 5, ตรห้าหกเจ็ดดวงตาเป็นบรรจุมาที่ 6. หกหลวงครูสุวัตก็เผาออกมานะบางส่วนก็เป็นพระธาตุแล้วตัวนี้ครับคือครูบาอาจารย์ระดับนี้มีไม่มากหบอกมีน้อยกว่าที่เราเชื่อนะเราเชื่อเยอะกว่านะั้นคือท่านก่อน เจอท่านตั้งแต่ท่านยังภาวนาคันนั้นจะเจอท่านที่จอมประท่านไปซื้อที่เพิ่มไปปลูกป่าไปเลยครั้นท่านยังเดินได้ยังยังอายุไม่มากท่านก็พาเดินชมป่าปลูกใหม่เสร็จแล้วพาไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นโตนะไม่ใช่ต้นเล็กๆปลูกเหม่ท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านปลูกป่าเพราะว่า พระพุทธเจ้าเกิดในป่าพระพุทธเจ้าตรั ส, สรู้ในป่าพระกนิพพานในป่าท่านเลยชอบปลูกป่าก็ท่านตั้งปัญหาว่าทำไมพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินทำไมหนีออกจากวางไปอยู่ในป่าที่ไปอยู่ในป่าเพราะว่ามีความสุขมีความสุขพวกเราอยู่ป่าคงไม่มีความสุขใจเป็นดิน แต่มันดิ้นไปดิ้นมาหลังจากนั้นไม่เจอท่านนานหลายปีนะเป็นท่านลดคว่มเดินไม่ได้ไปอยู่อเมริกากลับมาไปเจอท่านอีกทีปีสี่สามท่านมาอยู่ที่สวนทิพย์ไปกราบท่านโอ้โหไม่เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนไปหมดล้วเปลี่ยนแปลงใจก็นึกนะทำไงจะดีอย่างท่านบ้างนะ ทำไงจะได้อย่างท่านบ้างดูท่านหมดจดงดงามดูเราเทียบ ก, กับคนทั่วๆไปแต่ก่อนวก็เราว่าเราก็หมดจดนะไปเจอกับท่านนะคล้าแมวไปคลุกที่เท่ามาหม่อมแห ม, ม่การภาวนาเปลี่ยนแปลงคนได้นะเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานของพวกเราสกรรุกสกปรก ภาวนาแล้วดูหมดจดป่องใสงดงามขึ้นทุกทีทุกทีพวกเราเองหลายคนที่ภาวนาจนสติเกิดรู้สึกไหมผ่องใสดูตัวเองเองดูได้เลยนะไม่ต้องให้คนอื่นเขามาดูหรอกคนอื่นเขาดูแล้วก็คงเห็นหน้าตาเหมือนเดิมยกเว้นแต่คนที่เขาชนานาญเรื่องจิตใจดูไม่เห็นหน้าเราเท่าไหรไ่เห็นจิตเห็นใจจิตใจป่องใสเปลี่ยนแปลง น, น, นะหน้าตาเปลี่ยนนะ หน้าตาเปลี่ยนคนหน้าตาดูไม่ได้เลยพอมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมากมายทางร่างกายก็เปลี่ยนแปลงทางจิตมันเปลี่ยนไปก่อนแล้วจิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยลัศมีของจิตเนี่ยค่อยๆฟอกร่างกายค่อยๆฟอกไปเรื่อยๆกระดูกก็ย่ขาวกว่าคนทั่วๆไปนะค่อยๆขาวขึ้นขาวขึ้นทั้งเส้นผม ไปตัดออกมาเนะี่ยมันรวมเป็นก้อนๆ น, นะมันมีแรงดึงดูดเยอะแต่ถ้าเราไปดึงออกมานะไม่ค่อยรวมแล้วไปดึงออกงัน้นภาวนาจิตใจก็มีความสุขจิตใจปองใสร่างกายก็ปองใสบางคนไม่สบายเคยมีไม่สบายที่เคยรู้ไม่สบายมากๆแบบไม่รอดแล้วจิตเข้าถึงธรรมตรงนั้นพอดีแล้วนะ ลัสมีของจิตมันซักฟอกร่างกายใหม่หายเจ็บหายป่วยก็มีนะเคยมีครูบาอาจารย์องค์นึงท่านหลงป่าเข้าขามาาไปแล้วก็เกียกฝนสวันสามคืนเหมือนหลงทางข้าวก็ไม่มีจะฉันอดบวมข้าไปหลบฝนอยู่ในถ้ำก็ภาวนารู้สึกแบบนี้ต้องตายแน่เลย ถึงแข็งแรงนะั้นก็จะรอดรออกจากป่าแบบเขาไม่รู้ว่าหลงทางท่าก็ภาวนาขั้นไปเรื่อยดูกะว่าถ้าตายแล้วจิตใจจะห่วงอะไรไหมดูสร้างกายนี้ไม่ห่วงแล้วดูจิตดูใจก็ไม่ห่วงแล้วมีใจไม่ยึดอะไรซักอย่างก็พร้อมจะตายแล้วจิตใจไม่ยึดอะไรซักอย่างท่าก็ดูไปเรื่อยๆไม่ยึดอะไรเลยทำไมมันมีอะไรก็ไม่รู้แปลกๆ สังเกตไปเรื่อยๆยึดความไม่ยึดอะไรท่านเห็นว่าท่านยึดความไม่ยึดอะไรยึดความว่างนะตรงนี้ขาดปั๊บลไปจิตท่านสว่างจา้าขึ้นท่านนึกว่าในถา้าอยู่ในถ้า ม, มืดๆนะกลางคืนนะนึกว่าสว่างลนะดูนาฬิกาก็ ย, ยังไม่สว่างนะกลางคืนมองข้างนอกก็มืดตืดตือเลยแต่ถ้ำทั้งถ้ำนี่สว่างถ้าท่านหายป่วย เสร็จแล้วตอนเช้าฝนหยุดแล้วออกมาจากถ้ำหิวนะอยู่ไม่มีอะไรฉันหลายวันเจอลิงมันถือมละกอกระตาษหยิบนะกระดาษกระดาแล้วมันทํามละกอหลุดจากมือตกลงมาที่พื้นมันก็มองหน้าท่านนะมองมรกอมองหน้าท่านก็นึกว่าเอ๊ะมันไม่กล้าหยิบมั้งคงกลัวท่านว่าาก้มลงหยิบเดี๋ยวท่านเล่นงานเราท่าเลยกลับเข้าถ้านะเป็นเราเราจะแย่งลิงกินใช่ไหม เราก็จะมีเหตุผลเราต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนจะได้มีแรงคาวนาต่อไปอีกใช่ไหมท่านไม่เอาท่านกลับเข้าถ้ำไปลิงจะได้มาเก็บมละกอ์คืนไปเข้าไปพักหนึ่งออกมาปรากฏว่าลิงมายืนอยู่ที่พื้นดินแล้วถือมละกออันนี้มันกลิ้งเหมือนให้ท่านแล้วก็หนีขึ้นต้นไม้ไปเลยท่านบอดูมละกอรูปนี้นะมีรอยนกเจาะๆไว้ด้วยอุตส่าหไปเก็บมาให้นะ ถ้าแต่เกิดมาไม่เคยชันอะไรอร่อยเท่านั้นเลยชันเสร็จแล้วเลยเดินกลับมาเมืองไทยได้หลงเข้าป่าพมา่าไปที่หลงเข้าท่านไปเดินตามลําห้วยไปนึกว่าลําห้วยนี้ไหลเข้าฝั่งไทยกลายเป็นห้วยนี้ไหลไปพมา่าตามไปตามไปต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยรู้ว่าไม่ใช่เมืองไทยแน่เมืองไทยต้องเข้ามาต้องเหลือแต่ต้นมันสําปะหลังเลยภาวนานะภวนา ต้องทําฝึกไปเรื่อยๆมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ภาวนาแล้วเคร่งเครียดนะถ้าภาวนาแล้วเคร่งเครียดแสดงว่าทําผิดถ้าภาวนาถูกจะมีแต่ความสุขมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาคุณมลเคยเป็นใช่ไหมมัมีความสุขความสุขไม่เกิดจากการมีสติ รู้ลงในกายรู้ลงในใจเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วนะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นเรื่องประหลาดนะรู้ทุกข์แล้วมีความสุขเนยรู้ทุกข์เราคนทุกข์มีแต่ความสุขล้วนๆใครๆก็อยากลาทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้พุทธเจ้ากับสอนให้รู้ทุกข์ทุกอยู่ที่กายรู้ลงในกายทุกอยู่ที่จิตใจรู้ลงในใจรู้ไปเรื่อยจนวันหนึ่งไม่ยึดถือในกายในใจไม่ยึดถืออะไรเลยรวงทั้งไม่ยึดถือความไม่ยึดถือด้วยนะ เดียเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเล่าเสร็จแล้วท่านไปยึดควาไม่มีอะไรแต่พอท่านผ่านตรงนี้นะท่านจิตใจท่านก็เปลี่ยนไปเยอะแยะท่านกลับเข้ามาในเมืองนะ น, นั้นบางทีมีโยมคนนึงรู้จักท่านนิมนต์ท่านไปฉันก็มีคนรู้จักหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าเนี่ยท่านมาจากป่าละเลยไปหาท่านแต่ที่บ้านเขาเนี่ยเป็นตึกแต๋วนะครับไม่เจอหลายปีนะ <c oughs> านๆเจอทีหนึ่ง เขาเล่าการภาวนานะเวลานักปฏิบัติเจอกันสนทนาธรรมกันด้วยเรื่องการปฏิบัติล้วนๆ น, น, น่าฟังมากเลยน่าฟังมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่สู้คนอื่นนะสู้กิเลสของเราเองลมลุกคลุกค ล, ลานอีตอนสู้นะบางตายแต่ตอนสู้ขานมาแล้วมันขำนะมันขำว่าแต่ก่อนทําเป็นมันโง่ นะขอ ง, ง่ายๆเท่านี้เองนะไม่เข้าใจปรับผ่านได้แล้วมันจะขำตัวเองบางทีรู้สึกสมเอชตัวเองนะโอ้ยทาไมมันโง่หลายนะโง่หลายของง่ายเท่านี้ไม่เห็นึเห็นแล้วรู้เห็นแล้วนะยังไม่เข้าใจง่ายกว่าที่นึกนะการภาวนาถ้าเมื่อไร่ภาวนาแล้วรู้สึกยากสังวรไว้เลยว่าผิดแน่นอนการภาวนาถ้าถูกต้องจะต้องง่าย จิตใจมีสติจิตใจมีสัมสมาสมาธิรู้ตื่นเบิกบานเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงมีแต่ความสุขล้วนๆเลยให้ภาวนามันไม่ได้ยากเย็นเหมือนที่เราวาดภาพไปเราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้ผิดธรรมดาธรรมะคือธรรมดา น, นั่นเองเราเรียนธรมธ ร, มธรมดาของกายธรรมดาของใจธรรมดาของกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาธรรมดาของใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเรียนจนเห็นธรรมดาเรียนไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยจนใจยอมรับความเป็นธรรมดาของกายของใจยอมรับแล้วมันไม่เที่ยงเลยอย่าไปยินดียินไล่อะไรกับมันมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นสุขมันบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่บังคับได้หลายคนภาวนาแทนที่จะมุ่งมาให้เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เกือบทั้งหมดที่ภาวนาแล้วล้มลุกคลานนะัภาวนาเพื่อจะให้มันเที่ยงเพื่อจะให้มันสุกเพื่อจะบังคับมันให้ได้อย่างภาวนาแล้วก็อยากให้จิตใจสงบถาวรให้สุขถาวรให้ดีถาวรอย่างเงี้ยภาวนาแล้วจะเอาอยากได้อยากได้ความสุขอยากได้ความสงบอยากได้ความดีสุขสงบดีธรรมดาก็ไม่ได้นะอยากถาวรด้วย ลืมไปว่าถาวรไม่มีมีแต่อนิจจังไม่ถาวรมีแต่ทุกขังทนอยู่ไม่ได้ไม่มีความสุขที่แท้จริงในกายในใจนี้ไม่ใช่ว่าพระอระหันต์ภาวนาไปแล้วร่างกายมีความสุขนะไม่ใช่นะจิตใจก็ยังทำหน้าที่รู้สึกนึกคิดธรรมดานั่นเองความสุขมันอยู่ตรงที่ไม่ได้ยึดถือขันต่างไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจเป็นอิสระ อิสระจากกายจากใจความสุขมันอยู่ที่พ้นขันไม่ใช่ความสุขอยู่ที่ดัดแปลงขันสําเร็จแล้วพวกเราภานารู้สึกไหมอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มรรคผลนิพพานมีแต่คําว่าอยากนะมีแต่คําว่าอยากลืมไปว่าความอยากเกิดที่ไรความทุกข์ก็เกิดที่นั้นพอความอยากเกิดขึ้นจิตก็ดิน้นจิตก็ดิน้นจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตไม่มีความอยาก จิตก็ไม่ดิ้นจิตไม่ด FREE, ิด nehmen, ้นจิตก็ไม่ทุกข์แต่ตราบใด nice, ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้แจ้งในกายใ น, ในใจนี้ว่าเป็นทุกข์ล้วนๆมันยังรักกายรักใจมันคิดว่ากายเป็นเราใจเป็นเราคิดอย่างนี้มันอยากให้เรามีความสุขอยากให้เรามีความสงบอยากให้เราดีอยากให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานมีความอยากใจก็ดิน้นใจก็ดิน้นแล้วใจ ก, ก, ก็ทุกข์ เงี้ยตราบใดที่ละอวิชาไม่ได้นะตัณหาคือความอยากก็จะไม่หมดไปจะหมดเป็นกลาวๆพอมีสติรู้ทันนะ้ะก็ดับไปพอขาดสติน่กลับมาอีกนั่นเลยต้องมีสติรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาแต่พอภาวนาจนถึงที่สุดแล้วนี่มีปัญญามีวิชาเกิดแล้วมันไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาไม่ต้องรักษาจิตแล้วงั้นถามว่ามีสติไหมมีก็มีไปอย่างนั้นเละ ไม่ได้มีเพื่อรักษาจิตเพระจิตนั้นไม่ต้องรักษาเพราะคืนโรคคืนธรรมชาติไปแล้วนี่ธรรมะนะมันเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงคิดไม่ถึงเราภาวนาเราก็หวังว่าวันหนึ่งจิตเราจะดีจะสุขจะสงบสาวอดวาด้าพระรหัตไว้อย่างนั้นจริงไม่ได้เป็นอย่างที่นึกหรอกคนที่วางขันไปแล้วกับคนที่มีขันอยู่ความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน ของเราคิดแต่ว่าทํายังไงจะดีของท่านรู้ว่าวางแล้วก็หมดเรื่องแล้ววางแล้วก็หมดเรื่องไม่จําเป็นต้องสงวนรักษาอะไรต่อไปไถามว่าแล้วกิเลสเกิดขึ้นมาครอบงําจิตใจได้ไหมไม่ได้นะจิตใจไม่เข้าถึงภาวะที่อะไรก็ปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีปัญญารู้ทุกนี่แหละสําคัญใช่รู้อย่างอื่นนะ ในขณะที่เราต่อสู้ตะลุมบอลไปจิตใจเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธินะเกิดคุณงามความดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันอิโมโิมใจแต่สักพักหนึ่งมันพบ ว, ว่าไม่ใช่นะยังเสื่อมไปอีกมีสติก็ขาดสติได้นะมีสมาธิก็ขาดสมาธิได้มีปัญญาก็โง่ได้อีกเนี่ยยังของกลับกลอกของแปรปรวนอยู่จิตใจก็ถูกกิเลสย้อมได้อีก แ้วมันยังรู้สึกลึกๆนะ ว, ว่ายังขาดอะไรอย่างหนึ่งที่ยังไม่รู้แจ้งระบใดที่ยังขาดอันนี้อยู่เนี่ยจิตยังไม่เลิกดิ้นรนทนขว่าจนวันหนึ่งจิตรู้แจ้งอริยสัจจิตรู้แจ้งอริยสัจแล้วจิตคืนกายคืนจิตให้โลกเลยมันคืนกายไปก่อนนะสุดท้ายมันหวงอยู่ที่จิตอันเดียวนี่เลยเขาคืนจิตให้โลกไปแล้วไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกงานตรงนั้นก็หมดตรงนั้นเอง เข้าถึงความสุขที่นึกไม่ถึงเป็นตังรินเขียนหนังสือมีชีวิตที่คิดไม่ถึงใช่ไหมเขียนดีเหมือนกันคิดไม่ถึงหรอกคไม่ถึงชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตที่คิดไม่ถึงจริงๆใครไม่เคยมาบ้างไหมมีไหมหมือให้หลวงพ่อดูหนยเคยฝึกกันยังไงฝึกแบบไหน จิตยังไม่ตื่นนะจิตยังไม่ตื่นขึ้นมาจริงๆค่อยๆฟังนะทนๆนนิดหนึ่งถ้าเมื่อไหร่เรามีสติเรารึกรู้สภาวธรรมคือกายกับใจถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันจิตจะตื่นขึ้นมาโดยธรรมชาติเนี่ยจิตของเราจะหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาอันนี้พูดทั่วๆไปเลยนะคนที่มาใหม่ๆฟังได้เหมือนๆกัน คือเดิมเราไปฝึกกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายใอย่างบางคนก็ฝึกพองยุบบางคนหัดพุทโธบงคนหัดอานาปนาสติบางคนทําจังหวะอย่างสายหลวงพ่อเทียนบางคนดูเวทนาอย่างสายท่านโกอินก้าบางคนรู้อิริยาบถสี่างสายจันแนบเลยนี่แต่ละคนก็ฝึกกันมาคนละอย่างสองอย่างแต่ถ้าเมื่อไรสติตัวจริงเกิดขึ้นมาเราจะพบว่า รูปแบบเหล่านั้นเป็นแค่เครื่องอาศัยไม่ใช่ตัวสำคัญหรอกกรรมฐ า, านอะไรก็ได้ถ้าฝึกแล้วสติเกิดนะั้นจะมีสภาวะอย่างเดียวกันเหมือนเหมือนกันหมดหรองั้นรูปแบบมันเป็นแค่เครื่องอาศัยทางใครทางมันไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกนะอยู่ที่ว่าทำแล้วสติเกิดไหมนี้ส่วนมากที่ภาวนานะสติไม่เกิดหรอกทาไมสติไม่เกิดเพราะไม่เข้าใจสติ แรกเลยไม่รู้ว่าสติคืออะไรเราบางทีคิดว่าสติคือการกําหนดในความเป็นจริงเนะี่ยสติเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ระลึกรู้สภาวธรมรมระลึกรู้สภาวธรรมที่กาลังปรากฏงั้นสติมีหน้าที่ระลึกรู้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดตรงนี้ถ้าถ้าปรับซะนะเวลาเรารู้ลมหายใจเราชอบกําหนดลมหายใจใช่ไหม รู้ท้องของยุบเราก็ไปกำหนดท้องเดินจงกรมเรากาหนดเท้ารู้อิริยาบทสี่เรากำหนดร่างกายทั้งร่างกายขยับมือทำจังหวะกํากำหนดมือรู้เวทนาก็าไปกำหนดเวทนาถ้าเมื่อไหร่เรากำหนดเข้าไปที่ตัวอารมณนะ์แสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอารามณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์คือสมถกรรมฐานสติจริงๆในพระไตรปิฎกสติแปลว่าความระลึกได ความระลึกได้ถึงปัจจุบันอารมณ์ที่ปรากฏนี่เรียกว่าสัมมาสตินสติเกิดจากอะไรสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดแต่ไม่มีใครบังคับสติให้เกิดได้นะบางคนมาถามหลวงพ่อทำยังไงดิฉันจะมีสติต่อเนื่องหลวงพ่อก็ตอบซื่อๆทำไม่ได้หรอกอย่าว่าแต่สติต่อเนื่องเลยสติหนึ่งขนาดจิตยังทำไม่ได้เลย เพาะอะไรเพราสติเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายนั่นเองธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาได้ดับไปได้เนี่ยมันเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดถ้าเหตุไม่มีมันไม่เกิดสตินี้ก็เหมือนกันสติก็มีเหตุถ้ามีเหตุแล้วสติเกิดไม่มีเหตุสติไม่เกิดเหตุของสติคือการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยํานี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองอยู่ในตําราพระอภิธรรมสอนอย่างนี้เลย บอกว่าทีระสัญญาทีระทอถูงสรยิตรเรือทีระสัญญาก mm hmm. าร mm hmm. ที่จิตจำสภาวะได้แม่นนั่นเองเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ mm hmm. งั้นหน้าที่เราหัดรู้สภาวะไปไม่ใช่หัดบังคับตัวเอง mm hmm. พวกเราพะคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหรเราจะเริ่มต้นด้วยการบังคับกาย mm hmm. บังคับใจให้ผิดธรรมดา mm hmm. การบังคับกายให้นิ่งๆ่งบังคับใจให้นิ่งๆไม่เกี่ยวอะไรกับการจเจริญสตินะ มันคือการทำสมถกรรมฐานงั้นหน้าที่หาดู้สภาวะไปเบื้องต้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เคยทำแล้วสบายนะถ้าเคยทำแล้วเครียดทำแล้วลำบากก็เปลี่ยนซะกรรมฐานมีเยอะแยะหาเอาที่ทำแล้วสบายถูกกรดิตอย่างดูท้องผองยุบแล้วเครียดก็ไม่เอาเอาอย่างอื่นพุโทโธแล้วเครียดก็ไม่เอาอย่างอื่นมีกรรมฐานให้เลือกเยอะแยะเอากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของเรานี้แหละ เสรแล้วเราก็รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เพ่งนะไม่ได้เพ่งไม่ได้กําหนดอารมณ์นั้นนะให้รู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆบางคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวเล่นๆไปแค่รู้สึกรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายรู้สึกไปพอรู้สึกแล้วใจลอยแวบหนีไปที่อื่นสติมันจะระลึกขึ้นได้โอ้ลืมไปแล้วนะลืมกายไปแล้วสติจะระลึกขึ้นเอง หรือรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก่อนนะถ้าจะรู้ลมหายใจต้องหายใจออกก่อนจำไว้นะกว่าหลงพ่อจะเข้าใจตัวนี้เหนื่อยแทบตายเลยอันนี้แจกให้ฟรีๆนะโน้ตฮาสนะตัวนี้นะหายใจออกจิตใจจะผ่อนคลายแล้วก็รู้ทันจิตใจไปหายใจเข้าจิตใจเป็นยังไงรู้ทันใจหายใจแล้วก็รู้สภาวะของจิตใจไปเรื่อยๆหายใจแล้วจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ นี่คือการหัดรู้สภาวะนั่นเองดูท้องคองยุบก็ได้ดูท้องคองยุบ ไ, ไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไปเพ่งท้องจิตมีปิติผนลุกขนพองขึ้นมาตัวโครงตัวลอยตัวเบาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวหนักนะตัวเบามีสรารพัดนะรู้สึกบุกบบ้าบ้ า, บาเป็นอาการของปิติก็รู้ว่ามีปิติ ใจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขใจิตใจเป็นอุเบกขาหรือว่าเป็นอุเบกขารู้ท้องฟองยุบไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกนี่คือการหัดรู้สภาวะไม่ต้องสนใจว่าสติจะเกิดเมนะื่อไหร่นะหัดรู้สภาวะให้มากๆเมื่อจิตมันจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองเพราะเราทาเหตุของสติแล้วสติจะเกิดเอง นี่พวกเราหลายคนชอบไปเค้นมันถ้าไปบังคับตัวเองจะไม่ให้ขาดสติพยายามบังคับจะเค้นเค้นเอาบังคับเอาเช่นรู้ลมหายใจก็จะบังคับไม่ให้ไม่ให้พลาดไปจากลมหายใจถ้าบังคับได้มันจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตานะไม่ใช่เป็นอนัตตามันไม่ได้ฝึกบังคับแต่ฝึกรู้กายรู้ใจไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกฝึกอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเอง เช่นเรากําลังเดินอยู่ข้างถนนนะเราเห็นร่างกายมันเดินแต่ใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเดินอยู่พอตาไปมองเห็นว่าเพื่อนเราเดินสวนมาใจเราดีใจแวบเนี่ยสติจะเกิดเองเลยจะเห็นเลยความดีใจผุดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความดีใจไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเลยเนี้เราก็เดินไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินไปหาเพื่อนจะไปคุยกับเพื่อนเห็นปากปะงาบปะงบนะคุยกับเพื่อนไป เห็นร่างกายมันขยับเยื่นเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราขยับเยื่นเคลื่อนไหวจะเห็นเลยกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตที่วิ่งไปที่ตาจิตที่ว <si ิ่งไปที่หูจิตที่ว yep ิ่งไปคิดไม่ใช่เราสักกันเดียว่ถ้าฝึกอย่างนี้นะมีสติตัวจริงเกิดขึ้นมาก็จะเห็นหนึ่งมันไม่มีตัวเรากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรานะกุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรา ฝึกมากเข้ามาเข้าละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราคนที่ละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราเรียกว่าท่าสวดาบันม้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกําหนดการบังคับอะไรเลยมันเป็นการไปรู้ตามความเป็นจริงนะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้ถ้าเราไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเราไปกําหนดเราไปบังคับนะั้นกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งนิงน่งนิ่งทื่อๆไปหมดส่วนใหญ่นะัปฏิบัตินะยิ่งฝึกยิ่งแข็งนะ ยิ่งฝึกยิ่งแข็งยิ่งฝึกยิ่งเครียดตัวแข็งแขงคอก็แข็งหนะ้าหลังก็แข็งแข็งไปแข็งมาบางทีเกิดอาการแปลกๆบุงคนได้ยินเสียงตลอดเวลาบางคนได้กลิ่นตลอดเวลาวันนั้นมาใช่ไหมหแม่ชีนะัได้กลิ่นตลอดเหม็นตลอดเวลาบางคนก็คอแข็งไปไหนก็ นี่นับภาวนาโอ๊ยภาวนาอย่างนี้ไม่ไหวนะมันทรมานพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นเราต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกับสิ่งที่อาจารย์สอนมนาะถึงวันนี้ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แล้วถามว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนไม้มว่าเดินจงกร ม, มีกี่จังหวะไม่เคยสอนนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าขยับมือมีกี่จังหวะ นี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกินเกิดขึ้นมาท่านสอนให้รู้ลมหายใจออกมีสติรู้ลมหายใจออกมีสติรู้ลมหายใจเข้าท่าไม่ได้บอกให้เอาฐานลมไปตั้งไว้ที่ไหนคําว่าฐานลมไม่มีเห็นไหมในพระไตปิดกแถมเรื่องมีหลายจุดนะกระทบที่ปลายจะจะงอยปากกระทบปลายจมูกนะกระทบเคดานกระทบคอกระทบหน้าอกกระทบท้องแหมมีหลายฐานนะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอน ทุกวันนี้ที่เราเรียนกรรมฐานนะเราใจกว้างๆนะฟังหลวงพ่พูดไปแล้วใจกว้างๆนิดหนึ่งเปิดใจฟังเราสํารวจดูสิ่งที่อาจารย์สอนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะั้นมันเหมือนกันไหมทไม่ในพระไตรปิฎกไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยที่พวกเราส่วนมากทากันทุกวันเนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกอยู่แล้วนะว่าท่านสอนเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเพื่อการต ร, รัสรูเพื่อการพ้นทุกข์ สิ่งที่ท่านไม่สอนไม่ใช่ท่านไม่รู้นะแต่ท่านสอนไม่สอนเพราะท่านบอกว่าไม่จําเป็นเพราะงั้นถ้าเราเรียนอะไรที่เกินจากที่พระพุทธเจ้าสอนนะต้องสําเนียดนะเรียนของที่จําเป็นหรือของที่ไม่จําเป็นเพราะงั้นเรารักอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วนะแต่อย่าลืมพระพุทธเจ้านะอาจารย์ใหญ่ของเราอาจารย์ใหญ่เราไม่ได้หายไปไหนนะทุกวันนี้ยังอยู่นะพระพุทธเจ้า คือธรรมะที่ท่านสอนไมายังอยู่บริบูรณ์ไม่เคยหายไปไหนนี่แหละคือพระพุทธเจ้าของเราแล้วเราต้องเรียนธรรมะต้อศึกษาธรรมะให้ดีเรื่องที่ต้องเรียนนะเรื่องหนึ่งคือเรื่องอริยสัจเรื่องหนึ่งเรื่องสติปัฏฐานเรื่องหนึ่งเรื่องไตรลักษณ์เรื่องหลักๆที่ต้องเรียน ถ้าเรียนพวกนี้แล้วในการภาวนาจะง่ายถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนการภาวนาจะง่ายที่สุดเลยพูดได้ว่าไม่ได้ทําอะไรทําตัวเป็นแค่คนสังเกตการพวกเราสังเกตไหมในสติปัฏฐานนะในมหาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทางเอกทางสายเดียวนะเพื่อความปนทุกข์ลองดูเวิร์บดูกริยาในสติปัฏฐานมีกริยาอยู่คําเดียวเองนะคําว่ารู้ มีอยู่คำเดียวนะกริยาจริงๆเลยคือคําว่ารู้ น, นั่นเองที่เป็นหลักจริงๆอ่ท่านบอกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ท่านะไม่ได้บอกว่าหายใจออกให้กําหนดไว้เจฐาน6ฐาน5ฐาน10ฐานไม่มีนะท่านบอกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นะบางทีใช้คําว่ารู้ชัดก็มีเดินอยู่ก็รู้ชัดยืนนั่งอยู่ก็รู้ชัด คำว่ารู้คืออะไรรู้ที่ท่านพูดมีความหมายนะมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นะสอนจิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจมีความโลภ ก, ก็รู้มีความโกรธก็รู้มีความหลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้สังเกตให้ดีนะมีแต่คําว่ารู้เต็มไปหมดเลยในสติปัฏฐานจิตมีนิวรณ์มีการมาฉันทานิวรณ์ก็รู้รู้ชัดนะ มีพยาบาทนิวรณ์ก็รู้เห็นไหมจิตมีอะไรต่ออะไรขึ้นมารู้นั่นสอนเพราะฉะนั้นกิริยาที่เป็นหัวใจของการภาวนาในทางสายเอกทางสายเดี่ยวคือคําว่ารู้นี่เองคำว่ารู้มีสองในยักษ์นะอันแรกมีสติรู้สภาวธรรมที่กําลังปรากฏคือรูปธรรมและนามประธรรมที่กาลังปรากฏ อ, อันที่สองมีปัญญารู้ความจริงของสภาวะรูปและนามอันนั้น ความจริงของสภาวะรูปและนามก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดังนั้นคำว่ารู้เนี่ยครอบคลุมในยะสองประการนะอันแรกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอันที่สองรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ตัวเราถ้ารู้อย่างนี้แหละถึงเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความปนทุกข์งั้นเราต้องฝึกนะฝึกจนสติแท้ๆเกิดขึ้นมาสติแท้ๆคือความระลึกได้ สติแท้ๆเกิดจากจิตจำสภาวะได้จิตจำสภาวะได้เพราะหัดตามรู้สภาวะบ่อยๆหัดตามรู้กายบ่อยๆหัดตามรู้เวทนาบ่อยๆหัดตามรู้จิตบ่อยๆหัดตามรู้สภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมาบ่อยๆงั้นสติปัฏฐานเนี่ยจริงๆแล้วมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1รู้กายเวทนาจิตธรรมไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเอง ดังสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นทําให้เกิดสติดั้นเรารู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะั่งไปรู้สึกไปอยาใจลอยแล้วก็อย่าเพ่งอยู่ที่กายจะดูจิตดูใจเราก็ดูจิตใจไปอย่าใจลอยแล้วก็อย่าไปเพ่งอยู่ที่จิตจะรู้รู้เวทนานะก็อย่าใจลอยไปแล้วอย่าไปเพ่งเวทนาสิ่งที่ผิดมีสองอันเกลือไปกับเพ่งเอาไว้เพ่งแลามันจะนิ่งไม่สามารถรู้สภาวะตรงความเป็นจริงได้ การสติปัฏฐานเบื้องต้นรู้กายเวทนาจิตธรมไปแต่แบบไม่เพ่งแล้วก็ไม่ใจลอยลืมมันไปรู้บ่อยๆเท่าที่รู้ได้จนจิตจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นนี่สติปัฏฐานขั้นที่หนึ่งเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วจิตใจตั้งมั่นนี่สัมมาสมาธิจําเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นตรงนี้ต้องเรียนนะบทเรียนเรื่องสัมมาสมาธิอยู่ในเรื่องจิตศิกขาศีลสิกยาจิตสิกยาปัญญาศิกขาต้องเรียนให้ครบนะ เราต้องเรียนจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิสมาธิที่พวกเราฝึกมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นส่วนมากเป็นสมาธิเพ่งจ้องบังคับสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาว่าทำตั้งมั่นกับตั้งแช่ลงไปไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าจิตใจเราตั้งมั่นแล้วก็มีสติระลึกรู้รูปสติระลึกรู้นามมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงของรูปของนาม กาสติปัฏฐานเบื้องปลายเนี่ยทำไปเพื่อให้เกิดปัญญามีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางคือสัมมาสมาธิถึงจะเกิดปัญญานะเพราะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าขาดสัมม า, มาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ไม่เกิดปัญญาหรอกจะเป็นผู้เพ่งผู้เพ่งผู้จ้องผู้บังคับ ปัญญาที่เกิดขึ้นก็คือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตร ล, ลักษณ์นั่นเองเบื้องต้นเห็นกันไม่ใช่เราพอเห็นตรงนี้นะจิตบรรลุธรรมเป็นพระโสบาบันตัวเราไม่มีนะรู้กายรู้ใจต่อไปเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะจิตปล่อยวางความยึดถือกายเป็นพระอนาคาสุดท้ายจิตมันจะรวมลงมาที่จิตมารู้อยู่ที่จิตเรียนรู้จนกระทั่งปล่อยวางจิตสมมุติเรียกว่าพระอรหันต์ต้องใช้คำ ว, ว่าสมมุตินะพระอรหันต์ไม่เคยรู้สึกว่ามีพระอรหันต์ เนของสมมุติขึ้นมาเนี่เส้นทางเพื่อความพ้นทุกข์ทางสายเอกทางสายเดียวที่เราต้องเรียนและแต่ละจุดแต่ละมุมเนี่ยจะมีแง่มุมที่ทางใครทางมันนะเนี่ยต้องเรียนเป็นรายๆไปนี่หลวงพ่อพูดในภาพรวมให้ฟังไว้ก่อนฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะในหนังสือก็มีในซีดีก็พูดไปเยอะแล้วไปอดทนฟังเราเองนักเชิญโยไมไปทานข้าวนิมนต์ครับ